นนะในที่สุดแล้วที่เราสนใจวนไปเวียนมาเรื่องคําสอนของพ่อหนนอาจารย์นี่นะในที่สุดก็มาลงที่เดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันอ้อมมันไกลเนาะหลวงพุทเห็นท่านชี้ชี้ไปตรงตรงเลยตรงนี้แหละไม่ต้องเสียเวลาอย่างอื่นแต่เนื่องจากว่าหลายคนมีวิบากกรรมนะมีวิบากกรรมมันมา ก, กับความคิดถ้าคนมีวิบากกรรมน้อยก็จะคิดน้อยคนที่มีวิบากกรรมมาก ก, รร ม, มากก็จะคิดมากนะ อดอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดต้องหาเรื่องคิดเพราะมีวิบาก mm. นะเราก็ทําไปเรื่อยๆตัดวิบากไปเรื่อยๆเอาความรู้นี่มาตัดตัดตัดตังนั้นการทําวิปัสสนาจึงเป็นการตัดวิบากกรรมเก่าใช้กรรมเก่าไปเรื่อยๆและวิปัสสนานี่เองจะเป็นตัวที่ชําระสาสางเรื่องกรรมได้เร็วที่สุดเพราะมันเหมือนกับเราเป็นหนี้เขาเงิจนจำนวนสักล้านเนี่ย เราไปค้าขายลงทุนที่ได้กําไรทีละหลายล้านน่ะเพราะฉะนั้นหนี้แค่ล้านเดียวเรื่องย่อยมากเข้า mm. ไหเพราะ น, นั้นในการที่เราประกอบกรรทําเขีนมาในอดีตมันจะกี่พบกี่ชาติก็ตามถ้าเรามาได้มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสนาเท่านั้นแหละมันเหมือนกับได้มาทํายอดของบุญถ้าเป็นการค้าคือเป็นธุรกิจที่มีกําไรสูงมาก mm. ก็จะเอาตัวนี่ไปชาําระนี่กรรมนี่เวรต่างๆ mm. นะซึ่งบรรพบุรุษเราสร้างมาเนี่ยนะอันนั้นเองว่า ตัวบุญที่เกิดจากการทําวิปัสนาจึงเป็นบุญที่สูงสุดสามารถชาระนิกรรมให้กับตัวเองกับบนพบระบุตรได้อ่ะะที่เราสร้างกันมานี่แห ล, ละพระราชาดังก็เลยสันนิษฐานว่าให้ปฏิบัติวิปัสนาการให้ทานการรักษาศีลเป็นตัวเส้นทางให้ไต่มาถึงจุดนี้เท่านั้นแต่พอมาถึงจุดนี้เรากลับไม่ไปสู่วิปัสนาเราไปไปไปผ่านสมถะพอไปผ่านสมถะนี่บางทีก็หลงนะ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 พาปฏิบัติเมืันเปิดๆเราทําของเราไปเรื่อยเก็บสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันค่อยเปลี่ยนทีนิดๆนิดๆท่านเหมือนกับเราเรายกหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามาเจริญสติครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้สอดไม้ขานงัดใต้ใต้หินละนี่ถ้าหากว่าเราประคองไปเรื่อยเนี่ยเรางัดไม่ปล่อยเป็นหมายความว่าทําอะไรก็จับความรู้สึกตัวไปเรื่อยไอ้เจนนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะ ขึ้นแล้ววันหนึ่งมันพลิกไปได้เนี่ยไปคนละข้างเลยเนี่ยนั่นคือว่าจิตเปลี่ยนเปลี่ยนจากภาวะที่เป็นปุถุชนมาเป็นอริยชนละเปลี่ยนไปอีกด้านนึงความเห็นก็จะเปลี่ยนนะความเห็นที่เราเคยเห็นว่าเราเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอันนี้จึงเป็นประตูแรกว่าเราจะต้องเปลี่ยนความเห็นว่าจากเราว่าจากตัวตนความคิดว่าเป็นเราซะก่อนให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่าเห็นธรรม ว่าเป็นธรรมชาติอเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยกันอะไรกันอย่างสมมุติว่าง่ายๆที่เรามีความรู้สึกตัวได้เนี่ยอาศัยอะไรบ้างอาศัยกองดินใช่ไหมอาศัยกองน้ำอาศัยกองลมอาศัยกองไฟามาผสมผสานกันได้พอดีๆเนี่ยมันก็ให้เกิดอีกสองธาตุเรียกว่าอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุ ใช่ไหมอาศัยกองธาตุทั้งหส่วนเนี่ยมาผสมประสานกันในอาาัตราส่วนที่พอดีปับ๊บมันก็เกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้โดยรวมๆเนี่ยเรียกว่าวิญญาณใช่ไหมหมายความว่ามันจะต้องรู้เรื่องของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดมาหมายความว่ากลไกตัวรู้เนี่ยมันแยกเป็น5ส่วนคือตัวรูปทีนี้รูปที่เป็นสมถะกับรูปเป็นวิปัสสนาก็ต่างกัน รูปเป็นสมถะคือรูปของเรียกว่ารูปประทาดินน้ำลมไฟนี่นะถ้าเราไปเพ่งดินน้ำลมไฟนี่ก็เรียกว่าเป็นสมถะคือเอารูปเป็นอารมณ์แต่พอเรามาเจริญสติต้องเอารูปที่เป็นความรู้สึกไม่ใช่รูปประธาดเขาเรียกรูปประขันรูปประขันมากองของความรู้สึกขณะ น, นี้ความรู้สึกทั้งหมดตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยความรู้สึกที่เกี่ยวกับรูปเนี่ยก็จะ ม, มีแค่สองใ ช, 2, ใช่คือหนักกระเบา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 พิปสนามาก่อนเราก็ไปคิดว่าความรู้สึกหนักเป็นเราแล้วก็ไปคิดว่าความสบายที่ได้ลับเป็นเราเราสบายเราไม่สบายทันทีที่คิดว่าเราสบายไม่สบายปั๊บเนี่ยจากรูปที่เป็นในรูปประาธาตุที่ยวรูปนามเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนเป็นรูปที่สองทันทีเรียกว่ารูปอะไรเรียกว่านา ม, มารป ภาษาศาสนาเรลุกเข้ามาแล้วนีว่อันนี้ภาษาพระเริ่มเข้ามาแล้วฉันก็เริ่มงงเหมือนกันแต่เราก็จะต้องจดจําเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักสูตรนะนะเรื่องหลักสูตรจากรูปนามเนี่ยถ้าเราสติไม่รู้เท่าทันมันเปลี่ยนเป็นนามวัรูปทันทีเพราะนามวัรูปมันเป็นรูปของอะไรข อ, ของความคิดอะไรใช่อ่าแต่เรื่องรูปนามเนี่ยไม่มีในปฏิสุบะนะเพราะมันนอกเหนือแต่ เหตุของทุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปนามเป็นนามรูปเสียก่อนอวิชากา aren, aren, เกิดสังข า, ย 61, ย า, า Jon, รสังขารเกิดก้วิญญาณวิญญาณเกิดนามารูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปนามเนี่ยไม่ใช่สมุทยัยเป็นธรรมชาติที่เกิดโดยกฎของไตรลักณแต่นามารูปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันเกิดจากผลโพ ล, ลที่เราไม่รู้จักรูปนามจิตของเราไปสําคัญรูปนามเป็นเราปับ๊บมันก่อให้เกิดเป็นานามารูปคือตัวเราของเราอาตาตัตตาตัวตนเกิดตรงนั้นเอง เราเขาว่าฉันเกิดตรงนั้นเองนะอันนั้นเองก็เลยว่ามาอยากจะให้คนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมาศึกษาเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะสติสัมัจัญะร่างกายสังขารของเขานี่ยังแหลมคมอยู่จะเข้าใจได้ไวถ้าคนเหล่านี้เข้าใจปั๊บเนี่ยมันโอกาสที่จะต้องไปบอกให้เพื่อนฝูงนะคนต่างๆเนี่ยมาศึกษาเรื่องนี้มันได้มากเพราะคนแต่ละคนเกิดมาถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะเกิดมาตายเปล่าเปล่านะ บางทีสร้างบาปสั้างกรรไปอีกต่างหากเขาไปก่อเกิดต่อพบพกต่อยชาติไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ามารู้เรื่องนี้หมายความว่าอมันโชคดีที่สุดเลยในชีวิตเพราะอะไรเพราะมันจะได้ลดวิบากกรรลดพบลดชาติลงให้สั้นลงมาจากที่เราไม่รู้เลยว่ากี่พบกี่ชาติมันเหลือแค่เจชาติเพื่ออย่างดีใช่ไหมสั้นกว่าน้อยหน่อยเหลือสักสามสี่ชาติสั้นมากกว่านั้นหน่อยเหลือสักหนึ่งชาติอย่างเงี้ยนะน่ะก็ยังดี อยาที่เราไม่รู้เลยนะจนีันั้นในสมัยครั้งพูดการท่านจึงเอ า, อาพยายามดึงพวกเด็กๆ เ, เนี่ยเข้ามาศึกษา8ขวบกบสมเนนอายุสิบขวบก็ยังบรรลุธรรมเลยสมัยนั้นนะสมเนนสังกิจจาสมเนินอธิมุติกะสมเนนลาหุนสมเนินพวกนี้บรรลุธรรมตั้งแต่เป็นเด็กข้างนั้นเลยเนะี่ยเพราะว่าก็สามารถที่จะ ช่วยเผยแพ่ช่วยบอกเรื่องนี้ต่อขึ้นมาจนถึงปัจจุบันะเป็นเวลา2 3,000 ปีคนยังจําได้อยู่นะดังนั้นการมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อไปทําอะไรพิเศษหรือไม่ได้มาบําเพ็ญอะไรพิเศษนะแต่มาทําความรู้จักความรู้สึกชนิดที่ว่าเนี่ยให้ชัดอย่าให้มันอย่าให้มันค่อยเผลอพอเรารู้สึกจดจําความรู้สึกระหว่าง <c oughs> ความรู้สึก ตัวกับความรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยความรู้สึกตัวหมายถึงทั้งกายทั้งใจความรู้สึกกายความรู้สึกใจรวม ก, กันเรียกว่าความรู้สึกตัวนะและความรู้สึกตัวตัวนี้มันก็ได้แก่รูปนามนั่นเองเมื่อไดจับความรู้สึกได้นั้นเราจิตแล้วก็อยู่กับรูปนามนะเราทุกๆุกครั้งที่เราทำอะไรเนี่ยถ้าเราตามรู้จับความรู้สึกอยู่เนี่ยรูปนามก็ปรากฏ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 เกี่ยวข้องสิ่งนี้แต่พอเรารู้จักรูปนามแล้วจิตเขาเราจะกลับมาอยู่กับวัตถุที่หนึ่งคือกายกับใจในวิธีการนี้เราสามารถจะเข้าใจว่าวิปัสสนาใช้ได้ไม่ได้ยางน้อยต้องจับความรู้สึกที่อยู่กับตัวได้สักเจนนะถ้าเกี่ยวข้องสิ่งที่สองที่สามไปแค่2 0 3สเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอละ ถ้าหากว่ามันกลับข้างกันนะ่ะไปใส่ใจสิ่งนี้ซะเจ็ดสิบเอร์ซ็นตหลืออยู่ที่ตัวเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซนตรงนี้เสี่ยงละ่ะเสี่ยงที่จ ะ, ะเสี่ยงที่จะหลุดเพราะอะไรเพราะ อ, อํานาจของความเคยชินมันสูงใช่ไหมพอเราให้แค่สามสิบพอเพ้ อ, ปอแป๊บเดียวไปหมดเลยไปอยู่กับในเรื่องที่เกี่ยวข้องข้างนอกหมดเลยเพราะฉะนั้นในวิธีการของรมเรนว่าต้องตั้งไว้ที่ก่อนเจ็ดสิ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 เพราะทุกคนโดยสัญชตาตญาณเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าเราเคยสัมผัสสัมพั์กับสิ่งนั้นมานังนั้ น, น, นถ้าเราสามารถรักษาความรู้สึกตัวไว้ที่ตัวเองประมาณ 70% เนี่ยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็ยังเจริญไปเรื่อยๆอยู่ในคำว่าความรู้สึกตัวมันคอนเทนไว้ทั้งศีลทอยู่ในตัวมันเสร็จนะแต่เราจะต้องทำอย่างพออกพอใจ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 เมื่อคืนนี้หนูพ่อฟังรายการหนึ่งมีคนเข้าไปถามรายการว่าเอ๊ะปฏิบัติเบาๆสบายๆแบบ น, นี้มันจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ไหมท่านเอามรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถึงทำให้มันเกิดเลยเหมือนกันทํานิพพานขนาดนั้นเลยแล้วครูรู้จักเรามรรคผลนิพพานแปลว่าอะไรใช่ไหมแปลว่ามันก็เกิดแล้วก็ดับตรงนั้นดับไปว่านิพพานใช่ไหมนิพพานแปลว่าดับอ่ะ อะไรคูคุณรู้เกิดรู้ดับขนาดนี้นิพานมันก็ปรากฏแล้วอะแต่ทําให้มันเยอะๆทาให้เป็นนิสัยทําให้มันจนเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตเลยนั่นแหะก็นิพานไม่ต้องถึงเพราะมันมีอยู่แล้วเมื่อไหร่คุณจะเดินตามหาลมหายใจจนถึงนี่ไม่เจอหรอกเพราะตัวคุณกับลมหายใจมันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมอ่าเหมือนกันคุณไม่ต้องไปตามหานิพานเพราะนิพานันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณรู้จักแล้วคุณก็ใช้มันเท่านั้นเองใช่ไหม คุณจะทำแล้วก็เรากำลังทำอยู่ด้วยนิพพานคือรู้ตามรู้ความเกิดความดับของร่างกายไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากละทีนี้ทีนี้เราเักจะสงสัยเพราะอะไรเพราะฟังมาหลายครูบาอาจารย์ใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะใช่ไห ม, มเป็นเรื่องง่ายนไม่น่าจะใช่อ่ะสงสัยแลยใช่ไหมมันก็เป็นความคิดและนะก็ทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเป็นอย่างมากก็คือตัวที่เราเอามาสอนกันมากๆแล้วเราไม่เข้าใจทําไม่ได้สมัยที่หลวงพ่อพุทธทานมาเทศในกรุงเทพใช่ไหมว่าไอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นภูเขากันก็<笑><笑>ไม่คนเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยโอ้เป็นเรื่องเลยเนะี่ยเราพูดเรื่องนี้เป็นภูเขานะาีไม่ให้คนมาคือมันมันเกิดไปเข้าใจพระพุทธธรรมแบบสมมติอะ่ะ พระพุทธคือทองคําพระธรรมคือใบลานพระสงฆ์คือลูกหลานชาวบ้านอย่างนี้นีก็ไปพูดแต่ความจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทว่ายถูกที่คือศีลสมาธิปัญญาเองใช่ไหมพระพุทธไม่ใช่ทองคําพระพุทธศีลสมาธิปัญญาที่เราสัมผัสได้แต่ละขณะขนาดขณะนั้นบอกว่าเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปดิพึ่งคือพึ่งความรู้สึกตัวที่กําลังเกิดแต่ละขณะเนี่ยเอาใจมาอยู่กับตัวนี้นั่นคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในขณะที่เราทํานี่ยเรารู้ไหมตื่นไห ม, มก็เบิกบานถ้าหากว่ามันง่ายอย่างนี้แล้วไปทําให้มันยากทําไมใช่ไหมสมัยก่อนพนระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่สำนักเดียว่แต่เดี๋ยวนี้สอนสติปัฏฐานสี่เป็นละร้อยสํานักอะ่ะแล้วเราจะไปรู้ว่าสํานักไหนมันถูกมันผิดนี่ก็อให้เกิดความสับสนใช่ไหมฉันก็สติปัฏฐานสี่คุณก็สอนแล้วอะไรมัน สติปัฏฐานทีที่แท้จริงเนี่ยเนี่ยสับสนในสมัยก่อนร้อลัทธิร้อยแศาสนาสมัยแต่ผู้ที่สอนเรื่องสติปัฏฐานสีมีของผู้ทีเจ้าสํานักเดียวใช่ไหมเดี๋ยวดีทั่วประเทศไทยอ้างไว้ชั์ก็สอนสติปัฏฐานสีเหมือนกันแต่ฉันไปแล้วก็คนละเรื่องเลยทีนี้อันนี้คือความยากก็ให้เกิดความสับสนความสงสัยนะดังนั้นเองมาก็เลยหลังจากรู้เข้าใจเรื่องนี้แล้ว เ, เราจะทําไงนะทื่อง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 ประเทศนี่มา น, นั่งรับราวปฏิบัติธรรมจะทำหากินยังไงกันมันไม่ต้องทําอะไรกันนะคุณก็ลืมตาทำค้าขายไงมืออะไรคุณก็ว่าไปเดี๋ยวให้รู้สึกตัวสัก 70% ซนแค่นั้นเองถ้าหากว่าคุณไปหลงลืมตัวปับ๊บเหลือแค่5้าอยู่ที่ตัวเนี่ยคุณก็หลุดแล้วนิพพานก็ถูกบดบังหมายความว่าเราไปอยู่ในการเกิดมากกว่าการดับแต่ถ้าหากว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยให้เห็นการเกิดการดับ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 พ่ไปถามอีกอาจารย์หนึ่งนะอาจารย์นี่หลวงพ่อเนี่สอนมาไว้อย่างนี้อาจารย์ว่าถูกไหมไม่ใช่มันผิดตำรา <laughs> มันผิดพัจจผยพดกไปแล้วที่ะชักโครเลื่อนได้ใช่ไหมเพราะเราก็ยังไม่รู้จักพ่อไปถามมันก็ไปอีกเรื่องใหม่เลยลนั่นเองก็ให้มั่นใจในตัวเองให้สัมผัสให้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเออถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วมันยังไงสบายไหมสบายรู้สึกอย่างนี้แล้วมันคิดมากไหมคิดก็ไม่มากก็จับความรู้สึกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆ จากคนที่คิดมากก็เหลือ ร, รู้จกักคิดรู้จักจัดการกับความคิดแล้วก็รู้จักวางความคิดนะแล้วเรื่องของความอะไรความอยากราคะโทสะโมหะเนี่ยถ้าไม่มีความคิดเป็นที่ที่เกิดเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะจัด ก, การความคิดได้ราคะโทสะโมหะเป็นไงจัด ก, การได้ไหมจัด ก, การได้เพราะว่ามันมีที่เกิด เมื่อจากการละคาโทสะโ ม, มหาได้ความทุกข์เกิดได้ไหมไม่ได้นางใจนะแต่ความทุกข์ทางกายนี้ไม่เป็นสมุทัยความทุกข์ทางกายเป็นธรรมชาติที่มันมีมาก่อนใช่ไหมพุทดธดิย่า ก, ก็ยังทุกอยู่แต่เราต้องการไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นโดยโดยนามารูปหรือเป็นสมุทัยเพราะว่ามันเป็นนามมารูปมันเห็นยากมันรู้ยาก ขนาดความทุกข์เกิดขึ้นจากรูปนามเนี่ยเราพอตามรู้กันทันบางอย่างก็รู้ไม่ทันนะใช่ไหมเกิดความรู้สึกไม่สบายทางกายเรารู้ทันทุกทุกที่ไหมก็ไม่ใช่ทุกที่เห็นใช่ไมบางที่เราก็ไม่รู้แต่ดูรวยลงรวมว่ารู้สึกแล้วก็เท่าที่ทนได้ถ้ามาใดรู้สึกทนไม่ได้เราก็ฝืนทนตรงนั้นเป็นสมุทยัยละเพราะว่าใจากายมันรับไม่ได้ใจก็จะต้องรับช่วงต่อ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 คือเห็นต่อไปเรื่อยๆแต่เห็นบ้างลืมบ้างนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นทีแรกสัญญาละแต่เขาว่าทีแรกสัญญาว่าเห็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเห็นหนักเห็นเบาเห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเห็นสบายไม่สบายตั้งแต่ทับตาปากหายใจรับรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยมันก็จะเปลี่ยนจากสัญญาเป็นสติจากสัญญาเป็นถ้าต่อเนื่องไปยาวๆเราเห็นทั่วๆเป็นจากสัญญาเป็นสติจากสติเปลี่ยนเป็นสัมปชัญญะ แล้วจิตที่มาอยู่กับความรู้สึกอันนี้ไม่งอนแง่นไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดเรื่องอื่นโดยไม่จําเป็นปั๊บมันเปลี่ยนเป็นสมาธิจากตัวเวทนาที่สัมผัสได้เย็นแล้วหนแข็งเคร่งตึงนี่นะถ้าไปรู้เรื่อยๆต่อเนื่องรู้หนักรู้เบารู้สบายต่อเนื่องให้ให้เห็นณปัจจุบันไปเรื่อยๆมันกลายเป็นสัญญาใหม่ซึ่งดรวันลพปียมโนธรรมนะแกพูดอันนี้เป็นสัญญาใหม่แต่สัญญาเก่าหมายความว่ามันรู้แป๊บเดียวมันก็ลืมใช่ไหมมูนแป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็นความรู้ก็เปลี่ยนเป็นความคิดเลย แต่พอตามรู้ตัวรู้สึกตัวที่เป็นสัญญาคือความรู้สึกเย้หล้วขอแข็งทางกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวใหม่เรียกว่าสติแปลว่าระลึกรู้และระลึกรู้ที่ขยายวงกว้างออกไปตั้งแต่หัวยูเท้าเรียกว่าสัมปชัญญะแล้วจิตของเรามาตั้งมั่นอยู่ความรู้สึกนี้นานๆเรียกว่าสมาธิ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 มองให้ไปรูปธรรมไว้ก่อนทําไปสักพักมันเบื่อก็าตามหาตัวเบื่อตัวเบื่อเป็นตัวแบบไหนคุณสังเกตเคยเห็นตัวมันไหมใช่ไหมไม่เคยเห็นนะมันแสดงว่ามันไม่มีจริงใช่ไหมมันเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่ที่เราแช่จิตของเรามันนิ่งอยู่นานๆเกินไปใช่ไหมเราเลยสมมติว่าตัวเบื่ออัเนี้ยดังนั้นเองมันเป็นปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้ก็ต้องดับแต่เนื่องจากว่าเราไปสําคัญว่า มันอะไรมันเป็นเราใช่ไหมวความเบื่อเป็นเราแต่ถ้าเราเห็นว่าความเบื่อเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งใช่ไหมเราก็แก่ไขได้อ่าแค่พิกโน้นพิกนี้เอามาพสจสร้างจังหวะไปรู้สึกมันทื่อนะก็จับนวดมันนิ้วเล่นบีบมือเล่นสักพั้งหนึ่งเขาบอกว่านิ้วนี่มันเป็นที่อยู่ของจุดลมปราณที่ ถ้ารู้ถึงสมองใช่ไหมอมันบีบแค่นิ้วเนี่ยสดชื่นมาทันทีเลยเอาไม่เชื่อคุณลองทำดูนั่งไปรู้สึกมันง่วงมันเหงามันเบื่อนะคุณจับนิ้วบีบเล่นๆสักพักเลยตาสว่างเลยนะอันนี้คือเทคนิคนั้นๆเองเอามาก็เห็นว่าชีวิตทุกคนเนี่ยมันต้องมาถึงจุดนี้ได้นะถ้าหากว่ามันไม่เป็นวิบากกรรมมากเกินไปแต่คนมีวิบากกรรมมากเกินไปมันก็มันก็จะไม่เกิดศรัทธากับเรื่องนี้นะ มันก็จะไม่พยายามแต่เรื่องนี้มันเห็นเป็นเรื่องเหลีวไหลไร่สาระมาะสู้ไปหาเงินไม่ได้นะแต่ว่าคุณมีเงินเป็นล้านเป็นร้อยล้านคุณไม่มีความรู้สึกสบายเลยเนะี่ยมีความหมายไหมไม่มีแต่คุณ ม, มีความรู้สึกสบายเป็นสูงมากไม่มีเงินเดียวบาทเดียวเป็นไงก็มีความหมายใช่ไหมชีวิตก็มีความหมายนั้นเองก็เราส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเทียนว่าเราศึกษาเพื่อการรู้แต่รู้เพื่ออะไร เพิ่มงินไม่ได้รู้เพื่อที่จะรู้จักตัวเองรู้เพื่อเงินอันพูดเรื่องนี้ค่อนข้างสะใจดีๆแหละนะดังนั้นก็เราสมควรที่จะต้องต่อยอดกันให้ติดนะงานนี้นะต่อยอดอะไรต่อยอดจากสมถะเป็นวิปัสนานะแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานอย่าทําให้เป็นเรื่องซีเรียสเครียดเกรงไ ม, ไม่ไม่ไม่ใช่เป้าหมายของเราทําให้เป็นเรื่องสนุก มันแล้วทุกอย่างแก้ไขได้นะเพราะว่ามันมันเป็นปฏิยาของการเกิดและการดับเท่านั้นเองแต่การที่ดูเหมือนเกิดตลอดเวลามันไม่ดับเลยเพราะว่าเราไปแช่มันอะใช่ไหมไปแช่เอวหนักหนักหลังหนักหล่เดี๋ยวขยับมันสังนิษติอาการันก็ดับไปนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าธาตุสีดินน้ำโลหิตมันทําหน้าที่ของมันตลอดเวลาหน้าที่ของมันคืออะไรอันนี้จังเปลี่ยนแปลงใช่ไหม สเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะต้องแ ป, ปรปลวนอ่าคงที่อยู่ไม่ได้แ ป, ปรปลวนแล้วมันก็ต้องแตกดับไปก็วเวียนอยู่เงี้ยทีนี้หนะ้าที่ของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกันถ้าเราไปแช่อย่างใดหนึ่งปับ๊บแสดงว่าเราไปฝืนกฎของการเปลี่ยนแปลงทุกต้องเกิดแต่เราก็ปรับตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล่มหนึ่งเราก็ปรับการเปลี่ยนแปลงของอนิจจังเนี่ยให้มาเป็นพลังงานของตัวรู้ซะเช่นเวลาเรารู้สึกหนักเนี่ยพอเรารู้สึกตัวปั๊บ ความหนักหายไปมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือหนักหายไปแต่ว่าอีกอันหนึ่งความสำคัญความรึกรู้ว่าอะไรเกิดและอะไรดับตัวนั้นเป็นตัวสติสมยะเกิดละปัญญาเกิดละแต่ตลอดเวลาที่การเกิดดับเ่านี้ถามว่ามันมีอยู่ในตัวเราก่อนมอีตั้งเกิดแต่ทำไมเราไม่เห็นนะ่ะเพราะเรายังไม่มีดวงตา ใช่ไหมณวันนี้ที่เรามาปฏิบัติเรามาต้องการแสวงหาดวงตาเพื่อที่จะเห็นสิ่งนี้เท่านั้นเองคือดวงตาในเพื่อเห็นว่าก่อนที่เรารู้สึกหนักเนี่ยเราก็ไปดูซะก่อนอย่าเพิ่งพลิกอย่าเพิ่งเปลี่ยนดูให้ชัดแล้วก็ค่อยปรับดูเราเห็นอาการหนักมันมันคลายไปความเบาปรากฏขึ้นให้จิตของเราเนี่ยได้สัมผัสความรู้สึกอย่างนี้จนมันมันเป็นอะไรละ่ะมันเป็นความ มันเป็นจิตเป็นใจเซเองอ่งจิตใจเราก็จะลืมความคิดไปเลยนะดีไหมลืมความคิดอะ่ะใช่ไหมเมื่ อ, อไรต้องการใช้มันก็เอามันมาใช้เมื่ อ, อไรต้องการไม่ต้องการใช้มันก็อย่าไปไปพึ่งคิดมันไม่มีความหมายอะไรเลยความคิดพอเรามาอยู่ปัจจุบันปับ๊บถ้าเราจะใช้อะไรชิ้อย่างเราไม่ต้องใช้ความคิดแช่อะไรความรู้คนส่วนให ญ, ญ่ทุกวันนี้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้เลยนะ ความรู้กับความคิดต่างกันยังไงคุณวิทยาพราะวิทยาแปลว่ารู้คุณรู้ไหมคุณรู้มว่าความรู้กับความคิดต่างกันยังไงความคิดเกิดมาเราไม่เกียวความคิดเกิดโดยอดีตอนาคตใช่ไหมแต่ความรู้เกิดโดยปัจจุบันน่าเพราะฉะนั้นเราใช้ปัจจุบันแล้วตัวปัจจุบันก็ทําให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาเราใช้ปัญญาทำ เราใช้ปัญญาพูดเราใช้ปัญญาคิดไม่ต้องใช้ความคิดพอเรามีสติปั๊บมันเปลี่ยนความคิดให้เป็นปัญญาได้เลยแต่พอขาดสติปั๊บมั น, นเปลี่ยนเป็นปัญญาให้เป็นความคิดได้เพราะนั้นตัวสติสัมยาจึงเป็นกุญแจที่สําคัญหลวงพเห็นว่ากุญแจลูกเอกนะถ้ามีสติสัมยาอยู่เปลี่ยนความคิดให้เป็นปัญญาขาดสติสัมยาปั๊บปัญญาดีๆีันเปลี่ยนเป็นความคิดเฉยเลยนะ ดังนั้นมันก็เป็นวัตถุดิบเดียวกันเพียงแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนมันได้หรือไม่ได้ปลาตัวเดียวกันถ้ามันเป็นความคิดมันเป็นปลาดิบถ้ามันเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เป็นปลายสุกอะถ้าคุณไปละทับลายความคิดปัญญาคุณจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะปัญญาความคิดเป็นเรื่องเดียวกันมันอยู่ที่ตัวแปลงใช่ไหมคุณต้องหาตัวแปลงไม่ใช่คุณจะไปตัดความคิด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 นะโดยที่ไม่อย่าไปอยู่กับความคิดถ้าอยู่กับความคิดปับ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องขึ้นทันทีเลยเป็นเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องอดีตอนาคตเรื่องกูเรื่องมึงเรื่องไ ด, ด้เรื่องเสียเรื่อ ง, อ, ง, อ, งอะไรมันจะปรุงไปข้างมันแต่กลับมาความรู้สึกตัวปับ๊บพวกนั้นจะหายแวบเป็นทันทีแต่ว่าเรามาตอกย้ำทําบ่อยๆเข้าบ่อยเข้ า, ขามาจนกระทั่งว่าความรู้สึกกับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันความรู้สึกกับตัวคิดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะ แต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่ว่าเราได้อยู่กับสัญชตาตญาณขอความหลงลืมมาตลอดชีวิตตรงนี้ที่มันยากเราจะต้องต่อสู้กับความเคยชินเรียกว่าสัญชตาตญาณเนี่ยให้ได้นะก็คอยระลึกบ่อยๆคอยะระวังคอยสำรวมระวังคอยอจับความรู้สึกบ่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเราจะต้องไปตั้งจิตตั้งใจเพ่งเอาให้มันรู้อย่างต่อเนื่องจริงจังไม่ใช่ขนาดนั้นนะ ให้รู้แบบส บ, สบายๆรู้แบบผ่อนคลายาจับได้เท่าไรก็รู้เท่านั้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้ให้ชัดในแต่ละครั้งอย่าไปรู้แบบผิวเผินแะล้วคุณจะต้องการอะไรสักอย่างก็ตั้งเจตนาในการที่จะจับในการที่จะวางตลอดเวลาเราต่อสู้กับความเคยชินของตัวเองเพอปั๊บมันไปวิบเลยนะไม่ทันตั้งสติใหม่เพราะเนื่องจากที่เราได้ต้องเวียนว่ายใจเกิดมาจนถึงวันนี้เพราะความรู้สึก ความเคยชินที่เรียกว่าอาวิชานี่เราอยู่กับมันมาตลอดเราเกิดเพราะมันด้วยแต่เราก็ทุกข์เพราะมันนั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่พบคําสอนของพระสมาสัมพุทธเจา้าเราก็จะเป็นอย่างนี้บางชาติาไปเกิดเป็นสัตว์บางชาติไปเกิดเป็นคนบางชาติไปเกิดเทวดาบางชาติไปเกิดเป็นอินทร์พะพรพมบางชาติไปเกิดเป็นสัตว์นรกเวียนอยู่อย่างนี้เราก็ไม่รู้จะออกจากมันได้อย่างไรดังนั้นพอมันมาเจอวิปัสสนาคุณจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ไหมยะ ให้คุณออกมาจากแลงความคิดและอารมณ์เสียให้มาอยู่ความรู้สึกพอมาอยู่ความรู้สึกปั๊บเนี่ยความคิดก็ทํางานไม่ได้ละเพราะนึกเกีความคิดมันเกิดได้เพราะเราลืมตัวลืมปัจจุบันเท่านั้นเองพอลืมปัจจุบันปับ๊บความคิดเกิดเพราะอดีตอนาคตก็มาดังนั้นเรื่องนี้เอาไปตรวจสอบให้ชัดเจนให้แจ้งแก่ใจตนเองนะว่ามันจริงไหมแล้ว เ, เราทําได้ไหม ถ้าหากว่ารู้ว่ามันจริงแต่ทําไม่ได้เนี่เพราะอะไรนะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเริ่มสืบสอบสวนตัวเองให้ชัดก่อนอเอ๊ฉันนั่งก็รู้สึกหนักฉันพลิกไปก็รู้สึกเบาไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะแต่จะทําไงให้มันรู้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆอะ่ะนั่นคือมันยากตัวนั้นเองเพราะเผลอปั๊บไปแล้วใช่ไหมเผลอปั๊บไปละนั่นเราต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นคือความเผลอนะ่ะ เพราะาะนั้ไงให้เรามองเห็นมันก็คือจะต้องมากระตุ้นเตือนตัวเองบ่อยๆจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะกินจะถ่ายจับไปเรื่อยๆพอนานเข้านัานเข้ามันเริ่มจับได้ไวแล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่าจะมาจับความรู้สึกจะทํำช้าๆเหน υ, ื่อยๆเฉยๆเฉยๆไม่ใช่งี้ย น, นะหมายความว่าในระยะการฝึกเราฝึกอย่างนั้นก่อนแต่พอนานเข้านัานเข้ามันจะไวไม่แต่วเท่าไหร่ก็รู้สึกได้ชัดนะเราต้องการให้มันไวนี่แหละแต่ว่ามันแม่นยํา แม่นยำชัดเจนแต่ที่แล้วมาเราเราไวาแบบไม่ไม่แม่นยำ ม, มันผิดป้าไปหมดกว่าจะทําวันนี้เหมืนไปทางนี้ใช่กว่าจะทำทางนูง้นไปทางนู้นใช่เนี่ยแต่พอเราฝึกฝนแล้วเนี่ยมันก็ไปตรงแนวเลยยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นสติจริงๆเนี่ยท่า น, นแปลว่าอะไรแปลว่าลูกศรรากเดิมมันนะลูกศ ร, รเวลาเขียนสคอยสลารรอเรียนพระว่าธสอนใช่ไหม รากของคาว่าสติก็มาจากคําว่าสระธาตุสระแปลว่าอะไรแปลว่าเล่นแปลว่าวิง่งใช่ไหมมันมาจากคําว่าศอนแปลว่าธนูสมัยนี้มันไม่ได้ใช้ลูกสอนมันใช่เลยคุณสมเกียจใช้ลูกปืนมันใช้บุลเลต์ไมใ่ใช่ใช้แอลโลแล้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกปืนเนี่ยมันวิ่งช้าเนี่ยมันจะจับเป้าหมายได้ทันไหม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 ไม่ทันถูกความคิดยิงเราแลยนีย่ทีนี้เราก็ปวดหัวเลยลคิดจนปวดหัวเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติให้ไวที่สุดเพื่ออะไรเพื่อพอมันทําท่าคิดปั๊บอดีเนะ่ยครบสติต้องรู้ทันปั๊บให้ทันพอสติปั๊บยิงพวตกกลางอากาศความคิดดับทันทีเลยนี่เรียกว่าสติแต่เพราะว่าเพราะว่าคําว่าสาระธาตุเนี่ยมันเป็นกฎของภาษาถ้าไปลงตัว วิพัตปัจจัยที่บางตัวเนี่ยมันจะถูกบังคับถ้าไปลงติปัจจัยเนี่ยไอ้ตัวท้ายธาตุคือรอเรือเนี่ยจะต้องถูกคาดไปตัวหนึ่งหรือตัวหลักธาตุตัวเดียวคือตัวสเสือมันก็ตัวสติมันก็ยึดพื้นที่เลยดูตีดูนี้นะทั้งท่านนี้มันไม่ใช่ธาตุนะมันเป็นปัจจัยแต่มันยึดพื้นที่ของรอเรือเป็นสตินี่แปลว่าแล่นอยู่แต่พอมันไปลงหน้าปัจจัยนะไอ้ตัวโสรอเรือตัวนี้เหมือนเดิมเช่นคําว่าสารณะ คำว่าสาระนักสติมาจากรากธาตเดียวกันสระแปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่งบางคนละเรื่องเลยใช่ไหมแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกพูดทางสารณังข้าฉามิเขาพระเจ้าขอถึงซึ่งพระุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งนะนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อใดเรามีสติเรามีที่พึ่งเพราะนั้นเราจะบอกว่าสติคือพระพุทธได้ไหม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 โดยมีอะไรเป็นตัวแปรสติและสัมปชัญญะนั้นแสดงว่าถ้าสติสัมปชัญญะมากเท่าไหร่วัตถุดิบ ค, คือความคิดของคุณก็ถูกแปลเป็นปัญญาคือแสงสว่างได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเจริญสติจึงทำน้อยไม่ได้ต้องทำตะลอดเวลานะเมื่อเราเข้าใจเรื่องง่า ย, ายๆแคบๆแค่นี้ทำไม่ได้ก็ทำไงหมดปัญญา <c oughs> หมดปัญญาที่จะพูดกันนะ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 เราเมาไปทํำดูในแต่ละวันแล้วแต่ละวันอย่าไปให้มาอยู่กับความเบือ่อความเซ็งความขี้เกียจไม่เอาเพราะมันเป็นปเรื่องแก้ไขได้ใช่ไหมแล้วคุณไปแช่มันทําไมเพราะฉนั้นอย่าไปแช่มันเสียเวลานะก็ขอนุอมโมรนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ให้มันกระจายสว่างแจ้งในจิตในใจในภายในเจวันนี้โดยกันทุกคนทุกท่านถือ